ทำหมดละสิประการคืออะไรคือ 1. นหน้าถะกรณธรรมทาเครื่องกระทาที่พึ่ง10ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมก เพียรพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกสุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาทะกรณธรรม 2.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 บริสุดธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจาไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิแม้การที่ภิกษุเป็นผหูสูและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฐินี้ก็เป็นนาถะกระณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นนาถะกระณธรรม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 และคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรนบินบาบเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารตามแต่จะได้นี้ก็เป็นนาทะกรณธรรม 8. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่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 เห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 2. กษิณายตนะบอกเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10 1>, 1บุคคลหนึ่งจำปัทวีกสินกระสินคือดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งจำอาโปกสินกสินคือน้ำได้ 3. บุคคลหนึ่งจำเตโชกสินกสินคือไฟได้ 4. บุคคลหนึ่งจำวายโยกสินกสินคือลมได้ 5. บุคคลหนึ่งจำนีละกสิน กสินคือสีเขียวได้ 6. บุคคลหนึ่งจำปีตกรสินกสินคือสีเหลืองได้ 7. บุคคลหนึ่งจำโลหิตตกรสินกสินคือสีแดงได้ 8. บุคคลหนึ่งจำโอทาตกรสินกสินคือสีขาวได้9บุคคลหนึ่งจำอากาสะกสินกสินคือความว่างได้สิ 10. บุคคลหนึ่งจำวิญญาณะกระสินประสินคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณสามอากุศลรกรรมบททางแห่งอกุศลกรรมสิ 1. ปาณาติบาตการฆ่าสัตว์ 2. อ, อธินนาทานการลักทรัพย์ 3. การมีสุมิฉาจาร์การประพฤติผิดในกรรม 4. มุสาวาการพูดเ ท, ท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พรุสวาจาการพูดคำหยาบ 7. สัมผัปลาปะการพูดเพอเจอร์ 8. อภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 9. พยาบาทความคิดร้าย 10. มิชาทิฏฐิความเห็นผิด 4. ี่กุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรม1ิ 1. ป้ปานาติปาตาเวรามณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ สองอธินนาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์สามกามีสุมิชฌาจาราวเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. มูสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ปิสุนายาวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 6. พรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ 7. สัมผัปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจร์ 8. อนาภิชฌาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 9. ก้าอภยาบาทความไม่คิดร้าย 10. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ อริยวา่าทําเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะสิภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ละองห้าได้ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอก 4.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 มีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรเคอภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีอปเสนธรรมสี่ประการเป็นอย่างไร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 ปเจกสัจจะเป็นอันมากของสมณะพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กําจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุเป็นผู้มีปเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามได้และการแสวงหาพบได้ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีความดําริอันไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรคือภิสุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดําริในกรรมได้เป็นผู้ละความดําริในพยาบาทได้เป็นผู้ละความดําริในวิหิงสาได้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 ธรรมที่เป็นอาศะสิบหนึสัมมาทิฏฐิที่เป็นอาศะสองสัมมาสังกัปปะที่เป็นอาศะสามสัมมาวาจาที่เป็นอาศะสี่สัมมากัมมันตะที่เป็นอาศะห้าสัมมาอาชีวะที่เป็นอเาศะ 6. สัมมาวายมะที่เป็นอาศะเจ็สัมมาสติที่เป็นอเาศะ 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอเสะค่ะ 9. สัมมาญาณะที่เป็นอเสะค่ะ 10. สัมมาวิมุตติที่เป็นอเศะค่ะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือทำหมวดละสิบประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังขยนา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 ดังชื่นชมพาษิทิ์ของท่านพระสารีบุตรแล้วแลสังคีติสูที่10จบ